271ทุกวันนี้ยังมีหลักวิชาที่เป็นหลักฐานใช้ตรวจสอบได้เป็นต้นว่าหลักวิชาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชัดเจนในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14จากข้อ252ไปจนถึงข้อ281 ระบุตรชัดความเป็นสมาธิแบบพุทธดังนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มตรัสว่าสมาธินั้นของท่านต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิและสมาธิที่ได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติมรรคเอดองแล้วสั่งสมจิตให้เป็นเอกกัคตาจิตในขณะลืมตา ไม่ใช่เกิดจากการหลับตาเข้าไปในผวังตามที่กระแสหลักหรือส่วนใหญ่เกือบจะทั้งวงการที่ปฏิบัติสมาธิการแบบเมดิเทชันเพื่อปรากฏอยู่ในสังคมการปฏิบัติสมาธิของโลกสามมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นแบบพิเศษแบบซูปราคอนเซนเทรชั่น มีวิธีปฏิบัติเฉพาะตนไม่เหมือนใครผลยิ่งแตกต่างออกไปจากสมาธิที่สะกดจิตหลับตาปฏิบัติและในหลักฐานอื่นอีกมากมายที่ยืนยันเสริมหนุนประกอบว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายเอาสมาธิที่เกิดจากการหลับตาปฏิบัติ เป็นวิธีอันเอกแน่ๆแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติมรรคเกงองอย่างเป็นระบบลืมตาปฏิบัติมีสติเต็มตื่นอยู่ทุกทวารทั้งหกรับรู้ทุกสัมผัสทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีใช่ตัดสัมผัสภายนอกเข้าไปอยู่แต่เพียงภายในใจโดยไม่ให้รับรู้ภายนอกเหมือนสมาธิทั่วไปตามที่ปฏิบัติกันแพร่หลายอยู่ในโลกสามัญ น, นั้นเลยน่าแปลกใจจริงๆในวงการาศาสนาพุทธทั้งเรื่องราวและคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ออกชัดๆมาตลอดตั้งแต่ทรงประกาศาศาสนามาเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านจำนนที่ในยุคนั้นาศาสนามันก็เหมือนยุคนี้คือในป่าก็มีดาบทฤๅษีหลับตาหนีโลกส่วนในเมืองก็มีพระมหาศาล ที่ฟุ้งเฟอ้ออยู่กับโลกธรรมและเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานกะถาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเป็นศีลธรรมนูญไว้ชัดชัดยุคนี้ก็ฉันเดียวกันในป่าก็มีพระทุดงจริงจริงหลับตาหนีโลกบ้างหลับตาอาศัยสังคมอยู่ไปบ้าง และในเมืองก็มีพระมหาศาลซึ่งไม่แตกต่างกันเลยสักน้อยไม่เห็นชัดเห็นจริงได้ยังไงมันชัดยิ่งกว่าส่องกระจกเงาดีๆและแม้แต่เรื่องของสัมมาทิฏฐิพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้สิบข้อซึ่งใช้ตรวจสอบได้ว่าใครสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฐิ ก็จะรู้ได้จากทิฏฐิสิบหลักนี้อย่างพอเพียงในการจะปฏิ บ, บัติบรรลุอรหันต์กันทีเดียวก็ไม่เห็นจะเข้าใจเอามาเรียนให้แตกฉานกันเลยหากใครไม่มีสัมมาทิฏฐิสิบนี้ก็แน่นอนว่าปฏิบัติไม่บรรลุมรรคผลของพุทธแน่